เมื่อช้าสอนเรื่องการดูจิตให้แล้วนะว่าดูอะไรบ้างไม่าดูความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วดูพฤติกรรมของจิตที่มันวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจการดูนะให้ดูว่ามันเป็นยังไงไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ไปบังคับไม่บังคับทั้งความรู้สึกไม่บังคับทั้งตัวผู้รู้ จิตที่เป็นคนดูก็ปล่อยให้มันทำงานมันเป็นผู้รู้บ้างผู้คิดบ้างผู้รู้บ้างผู้เพ่งบ้างผู้รู้บ้างเป็นผู้ดูบ้างผู้ฟังบ้างสลับกันไปจิตเกิดจับทีละดวงทีละดวงไปได้ๆแล้วเวลาดูเนี่ยมีหลักการสามข้อข้อแรกก็คือให้ความรู้สึกหรือให้พฤติกรรม เ, เกิดขึ้นก่อน แล้วเราค่อยมีสติระลึกรู้เช่นโกรธก่อนแล้วก็รู้อ๋อโกรธแล้วโลบแล้วหลงแล้วฟุ้งซ่านแล้วพอถููแล้วเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์แล้วเฉยๆแล้วให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาหรือมันวิ่งไปทางตาแล้วโอ้วิ่งไปแล้วรู้วิ่งไปทางหูแล้วค่อยรู้วิ่งไปก่อนแล้วรู้การดูจิตเนี่ยจะไม่ได้ดูแบบ ดูกายดูกายเนี่ยดูเดี๋ยวนี้เนี่ยมือกําลังเคลื่อนไหวมีคำว่ากำลังจิตมีคำว่าแล้วโลภแล้วโกรธแล้วฟุ้งซ่านแล้วหดหู่แล้วสุขแล้วทุกข์แล้วหลงไปดูแล้วหลงไปฟังแล้วหลงไปคิดแล้วหลงไปเพ่งแล้วมันทําไปก่อนมีความรู้สึกก่อนมีการกระทําก่อนแล้วค่อยมีสติตามรู้ไปทําไม โลบแล้วต้องรอบแล้วรลภกาลังโลภอยู่รู้ได้ไหมกําลังโลกรู้ไม่ได้ขณะที่กําลังโลภจิตเป็นหลังกุศลไม่มีสติที่ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรู้เพราะนั้นการดูจิตเนี่ยจะต่างกับดูกายดูกายเป็นปัจจุบันขณะแต่ดูจิตเป็นปัจจุบันสันตติคือสืบต่อกับปัจจุบันมันเป็นอดีตที่จบไปสดสดร้อนๆอนต้องสันตติสืบต่อด้วย เมื่อวานโกรธวันนี้รู้อย่นี้ไม่เป็นสันตติงั้นโกรธก่อนเรารู้ว่าโกรธโลภ ก, ก่อนแล้วรู้ว่าโลภสุขทุกข์ก่อนแล้วรู้ว่าสุขทุกข์หลงไปดูเรารู้ว่าหลงไปดูหลงไปฟังแล้วรู้ว่าหลงไปฟังหลงไปคิดแล้วก็รู้ว่าหลงไปคิดให้มันทางานไปก่อนในกดข้อแรกการดูจิตตามดูงั้จะตามดู ตามดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดูเนืองๆดูบ่อยๆระหว่างดูอย่าถลำลงไปดูดูแบบคนมวงนอกก่อนดูอย่าอยากดูนะอย่าไปอยากดูอย่าไปตักดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้ระหว่างดูดูแบบคนวงนอกดูแบบไม่มีส่วนได้เสียอย่างเนี้ยเห็นจิตใจมันสุขทุกข์นะเราเป็นแค่คนดู เราอย่าจมลงไปในความสุขอย่าจมลงไปในความทุกข์หรือบางคนจิตมันไหวๆอย่างนะี้นะมีนะไปเปิดสํานักสอนกันเลยเห็นจิตไหวหๆอยู่กลางหน้าอกเนี่ยแล้วไปจ้องอยู่อย่างนี้ยจิตไหลลงไปอยู่ที่กลางหน้าอกอันี้ถลําลงไปดูอย่าถลําลงไปดูดูห่างๆดูแบบคนวงนอกเหมือนเรายือนอยู่บนบกแล้วก็เห็นของต่างๆไหลไปในน้ํานะ เราอยู่บนบกเราไม่ตกลงไปในน้าดูห่างๆ ห, หรือเรายืนอยู่บนตึกริมถนน<ม>เห็นรถเห็นคนเห็นอะไรผ่านในถนนมันผ่านมาผ่านไปเราไม่มีส่วนได้เสียเรา ด, ดูอยู่ข้างนอกดอูแบบคนวงนอกนี่เป็นกฎของการดูจิตอีกข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งนะให้สภาวะเกิดก่อนจะเป็นความรู้สึกหรือเป็นพฤติกรรมของจิตก็ตามให้สภาวะเกิดก่อนแล้วค่อยรู้ ข้อสองระหว่างที่รู้เนี่ยอย่าถลำลงไปรู้ดูแบบคนมงนอกข้อสาเมื่อรู้แล้วจิตมันมักจะยินดีมักจะยินร้ายเช่นเห็นความสุขเกิดขึ้นมันยินดีเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมันยินร้ายเห็นกุศลเกิดขึ้นมันยินดีเห็นอกุศลเกิดขึ้นมันยินร้ายเห็นจิตผู้รู้ยินดีเห็นจิตผู้ไหลไปหลงไปถลำไปยินร้ายเนี่ยมันจะมียินดีนร้ายเกิดขึ้นมา ให้เรามีสติรู้ทันลงไปอีกทีจิตยินดีก็รู้จิตยินร้ายก็รู้แล้วเราจะสามารถรู้ด้วยความเป็นกลางได้กฎข้อที่สก็คือรู้โดยไม่ยินดียินร้ายกฎข้อที่1ให้สภาวะหรือพฤติกรรมของจิตเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้แต่ต้องรู้เร็วๆนะไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้ไม่เป็นสันตติข้อที่2ระหว่างรู้เนี่ยอย่าถลำลงไปรู้ ดูแบบคนมองนอกข้อที่สามรู้แล้วไม่แทรกแซงที่เข้าไปแทรกแซงเพราะว่าหลงยินดียินร้ายแล้วไม่รู้ทันถ้ารู้ว่ายินดียินร้ายจะไม่แทรกแซงเนี่ยสามข้อนี้นะแล้ว เ, เอาไปปฏิบัติเอาใช้เวลาไม่มากหรอกการปฏิบัติการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดละเพราะอะไรเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมะตั้งปวง กุศลเกิดที่จิตอากุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตเพราะฉะนั้นตัดตรงเข้าที่จิตเนี่ยก็จะรู้ทั้งกุศลทั้งอกุศลรู้มากๆเข้านะจะเห็นทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างบังคับไม่ได้สุดท้ายมันก็เกิดมากเกิดผลขึ้นมาเนี่ยฝึกไปอย่างนี้นะดูจิตดูจิตไม่ใช่ไปรักษาตัวผู้รู้นิ่งๆอยู่ดูจิตไม่ใช่ถล้ำลงไปจ้องอย่างเห็นจิตไหวๆอย่เงี้ยไปเปิดสํานักสอนกันด้นะ งั้นจิตใยๆเนี่ยจ้องลงไปเี้จิตมันถลําลงไปอย่างนั้นดูไม่เป็นยนันกระโดดลงไปแล้วเหมือนตกเหวไปนล้วดูแบบคนมองนอกสบายๆายนี่หลักของการปฏิบัตินะถ้าทําตามที่หลวงพ่อบอกแล้วทําบ่อยๆทําบ่อยๆแล้วก็เจริญเร็วทําทําไม่ถูกหรือทําถูกแต่ขี้เกียจนานๆ ท, ทําทีไม่ได้กินหรอกกิเลสเอาไปกินหมด วันนี้สอนเรื่องดูจิตนะให้สมกันที่หลวงพ่อสุจินทร์ท่านมาเยี่ยมหลวงพ่อสุจินทร์เป็นลูกศิษย์หลวงพู ด, ดูลเข้าไปหาหลวงพู ด, ดุล์ก่อนหลวงพ่อปีสองปนะีต้องเรียกว่าท่านเป็นสือเหียท่านเข้าไปก่อนนะเราเป็นสือตีท่านเป็นลูกศิษย์ก่อนหลวงพ่อนะแล้วรู้รจักกันมาหลายสิบปีแล้ว ได้แต่สองหกรู้จักกันมาเรื่อยๆคบกันมานานไม่เคยทะเลาะ ก, กันไม่เคยทะเลาะ ก, กันอยู่อยู่ดีมีสุขลูกศิษย์หลวงปู่ดูลมมีหลายรุ่นรุ่นใหญ่ๆเนี่ยจะท่านหลวงปู่มั่นยังหลวงปู่ฟัน้นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่สามนะนี่ท่านหลวงปู่มั่น รุ่นกลางๆเนีรุ่นอาบุสกว่าหลวงพ่อสิ้นไปหมดแล้วะรุ่นหลวงพ่อคืนหลวงพ่อกินอะไรพวกนี้หลวงตาผนึกหลวงตาพผนึกจริงๆบวชกับหลวงพู่ดูลแต่ว่าเป็นลูกศิลป์รู้สึกเป็นลูกศิธิ์ทางหลวงปู่สุวัตไม่ได้ไม่ได้เรียนหนักๆที่หลวงพู่ดูนนะนะลหลวงปู่ฟั่น หลวงปู่ฟันใน ล, นนะ ล, น ล, นลนูกศิษย์ลงมาดูลนะหลวงปู่สวัตในลูกศิษย์หลวงปู่ฟั่นหลวงตาพันนักแล้วเคยไปเรียนกับหลวงปูส่สวัตเลยจำไม่ได้นละ้นานมากแล้วแล้วก็มารุ่นเล็กรุ่นเล็กเนี่ยรุ่นหลวงพ่อรุ่นหลวงพ่อสุจินนะรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นเล็กๆของหลวงปู่นะแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่ดื้อ หลวงปู่บอกว่าอย่าไปดูจิตคนอื่นนะแต่ชอบไปดูจิตคนอื่นไม่ดูจิตตัวเองหลวงปู่พยายามห้ามก็ไม่ค่อยเชื่อแอบไปดูจิตคนอื่นพอหลวงปู่สิ้นไปนะไม่มีใครกํากับควบคุมนะบางคนก็บ้าบางคนเพี้ยนหนักขาาตัวตายก็มีนะเพ น, นเวลาดูจิตดูจิตเนะ่ยให้ดูจิตตัวเองนะอย่าดูจิตคนอื่นมีบทเรียนให้หลวงพ่อเห็นมาเยอะมากเลยเสียเลย เสียหายไปเยอะเลยเพราะว่าสนุกเวลาเราดูจิตเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ธรรมะเวลาเราไปดูจิตคนอื่นนะเราจะกลับบ้านไม่เจอไม่จไม่ถูกจิตเราจะหลงออกข้างนอกไปเรากลับมาไม่ได้พยายามสนใจจิตตนเองอย่าสนใจจิตคนอื่นรนะุ่นเ ล, เล็กนี่ก็หลพ่สุจินตรงหนึ่งห ล, ลงพ่อองหนึ่งมันก็มีรุ่นไล่ๆกัน ในสุรินอยู่ไม่เกี่ยวฝึกตัวเองนะฝึกตัวเองถึงวันหนึ่งเราจะรู้ว่าธรรมะเป็นของมีจริงจริงพระสงฆ์มีจริงไม่ใจของเราเป็นพระสงฆ์โดยที่ไม่ต้องบวชนี่ะพระพุทธเจ้ามีจริงนราจะรู้อย่างนั้นแฝนไม่คลอนแคลนทุกวันนี้ คนพูดเรื่องดูจิตเยอะนะเมื่อก่อนไม่มีใครดูจิตหรอกหลวงปู่ดูลนท่านเคยบอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองสมัยนู้นหลวงพ่อได้ยินแล้วก็ท้อใจดูจิตมีอยู่ไม่กี่คนหรอกส่วนใหญ่ดูกายไปที่ไหนก็มีแต่ดูกายมาวันนี้การดูจิตรุ่งเรืองแล้วนะคนที่ดูจิตได้นะเยอะแยะไม่ใช่เพราหลวงพ่อเก่งนะแต่ว่าสถานการณ์มันสอดคล้อง คนที่ดูไก่นะต้องประเภทชาวไร่ชาวนาอะไรเงี้ยนะชีวิตสงบสุขมีเวลานั่งสมาธิเยอะๆชีวิตไม่โลดโผนของเราสมาธิไม่มีสมาธิสั้นจิตใจกระชอกทั้งวันมีแต่เรื่องบรบกวนใจให้สั่นไหวสั่นครอนการดูจิตเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมืองหนูพระชาก็เคยพยากรณ์ น, นะบอกต่อไปการดูจิตเชื้อเชิญนะนะสำหรับคนในเมือง คนในเมืองทำงานที่ต้องคิดเวลาเราคิดเราทำงานเนี่ยใจเราจะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยงั้นเรามีสติตามเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจได้ทั้งวันเลย่ั้นการดูจิตมาเลยรุ่งเรืองในเมืองเมื่อก่อนคนลืมหลวงพู ด, ดูลไปแล้วหลวงพ่ อ, เ, อเรื่องดูจิตมาสอนคนเลยจำหลวงพู่ดุลขึ้นมาได้อันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะ อุปชาหลวงพ่อเป็นคนผู้เองว่าหลวงพ่อทำให้คนจำหลวงพู ด, ดูลได้นี่พอคนจำหลวงปู่ดูนได้ก็เริ่มมีคนอ้างนะว่าอันนี้เป็นคําสอนของหลวงพู ด, ดูลนันนี้เป็นคําสอนของหลวงพู ด, ดูลคําสอนของหลวงปู่ดูลแท้ๆมีน้อยมากๆเลยนะมีไม่มากหรอกท่านเดินเส้นของพระปัจเจกมาก่อนนะเังนันท่านไม่ค่อยอธิบายอะไรมากท่านสอนสั้นๆ ทุกวันเนี้มันมีคําสอนซึ่งลูกศิษย์เขียนแล้วคนแยกไม่ออกคิดว่าเป็นของหลวงปู่ดุลคนที่เขียนออกมาเยอะก็คือหลวงพ่อนี่แหละไม่ต้องบอกเลยว่าต้องแยกให้ออกนะว่าไหนคําสอนของลูกศิษย์ในคําสอนของหลวงปู่มันคนละชั้นกันนะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าคาสอนรุ่นหลังนี่ไปปนปนเปื้อนใส่คําสอนรุ่นเดิมของครูบาอาจารย์ ยังมีบทความอยู่เรื่องหนึ่งนะั่นหลวงพ่เขียนไม่นานนักหนานล้วเรื่องแนวทางปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ดูลนะตุโลกเรื่องแนวทางปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ดูลคนมันก็เอาไปโค้ดนะตัดเป็นท่อนๆไม่บอกที่มาที่ไปคนก็คิดว่าเนี่ยเป็นคําสอนของหลวงปู่ดูลนะซึ่งมันเสียหาย คำสอนของหลวงพ่อเนี่ยถึงจะอ้างอิงหลวงปู่ก็ไม่ใช่คำสอนของหลวงปู่เราต้องเคารพครูบาอาจารย์ไม่เอาคําสอนของเราไปปนเปื้อนคําสอนที่บริสุทธิ์ของครูบาอาจารย์ทีมงานเราช่วยดูนะเรื่องเนี้มันอยู่ที่ไหนนะแล้วเอามาเผยแพร่ซ้ํำก็ไปทุกวันเนี้ยเอาไปอ้างอิงว่าเป็นหลวงปู่สอนหลวงปู่ดูลสอนเนี่ยไ ม, ไม่ไม่สอนแบบเขียนเป็นตัวเลนะ่มข้อหนึ่งสองสาม หนึ่งจุหนึ่งหนึ่งจุดสองอันนี้สไตล์ของพ่อดูง่ายๆเลยแต่พอเอาไปอ่านไม่มีตัวเลขใช่คนก็โคดจากการอ่านเนี่ยยูเนี่ยเราโเนี่ยคำสอนหลวงปูดด่ดนมันไม่ใช่คำสอนของครูบาอาจารย์ต้องรักษาไว้เพราะฉะนั้นเวลาเราอ้างหิงคำสอนครูบาอาจารย์นะต้องต้องมีสเตชัต้องมีข้ออ้างหิงว่าเอามาจากไหน อย่าหลวงพ่อสั่งทีมงานหลวงพ่อเลยว่าใครจะโค้ดคําธรรมะหลวงพ่อไปหลวงพ่อไม่ว่านะแต่ต้องห้างอิงว่าเทศเมื่อไหร่วันไหนหรืออยู่ในหนังสือเล่มไหนอะไรเงี้ยต้องห้างอิงไม่อ้างอิงแล้วต่อไปมันจะมั่วเรายังไม่ทันจะตายเลยก็มั่วไปหมดแล้วคําสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยที่สืบทอดกันมาบอกว่าหลวงปู่มั่นสอนเรามั่นใจไลมว่าหลวงปู่มั่นสอนจริง เราเชื่อไม่ได้เลยเนียมันไม่มีการอ้างยิงมาตั้งแต่แรกมีเ ล, เล่าเล่าเล่าสืบสืบกันมานพระฉันรักษามาตรฐานในการเผยแพร่ไว้นะต้องมีการอ้างยิงไม่งั้นมั่วแล้วคนรุ่นหลังจะสับสนหลวงพ่อสอนอาจจะผิดนะหลวงพ่อสอนได้ไม่ดีเท่าหลวงปู่ดุลนี่คนไปจำว่าอันนี้ยที่สลวงพ่อพูดเนี่ยคือหลวงปู่ดุลพูดอาจจะผิดนะ ถ้าผิดเนี่หลวงพ่อก็รับผิดชอบไม่ไหวนะทำธรรมะของครูบาอาจารย์ให้เสื่อมสามลงไปยังต้องช่วยกันรักษาแต่ชัวร์นะไม่ผิดหรอกเพราะหลวงปู่ดูนบอกไวนะ้วันนี้เทศเท่านี้นะวันนี้มีกิจกรรมพิเศษหลวงพ่อสุจินทท่านมาเยี่ยมปีหนึ่งท่านจะมาเยี่ยมครั้งหนึ่งเดือนพฤศจิกาเป็นเดือนเกิดท่าน ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในกรูเทพอะไรย่างเงี้ยก็เดี๋ย ว, ยวจะส่งน้ําท่านเดี๋ยวแล้วจะส่งน้ําท่านเสียดายวันนี้ไม่หนาวเวลาส่งนั้นท่านจะจําไม่นานเลยหนาวเราส่งกันนานส่งน้ําท่านเนี่ยอย่าพิรีพี่ไรลหลักการของวัดเราคือรวดเร็วนะวัดเราทําอะไรต้องรวดเร็ว เข้าแถวเรียนสองจะมีถังมีขันน้ำให้สองฝั่งไม่ต้องกราบนะรับขันน้ำส่งน้ำท่านไม่ต้องอวยพรท่านมันทะลึ่งเกินตัวไปนะแล้วเดี๋ยวท่านค่อยให้ผ่อน ร, รอบเดียวนะไม่ต้องมาขอผ่อนท่านด้วยนะไม่ต้องกราบ รับขันแล้วส่งน้ำท่านแล้วออกไปข้างข้างจะไปกราบก็กราบมาทีหลังแถวนี้จะได้เคลื่อนที่เร็วเข้าใจกติกานะวัดเราทำอะไรมีกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์นี้ประกาศสาธารณะไม่รับเราหล่อต่อไปเชิญทีมงานจัดโตะระหว่างนี้หลวงพ่อจะไปคุยตรวจกันบ้านพระคันตุกะ